วันนี้เอาสักครึ่งคืนไหวไหมฮะตายแล้วติตายก่อนแล้วเอาสักครึ่งคืนไหวไหมไหนไห น, นามาแล้วยังคุณทนาสลิภักไหนพักที่ไหน มีที่พักหรือยังอ๋อมักซากะมายังไม่ถึงเหรอมาถึงแล้วค่ะพักอยู่ที่ห้องพักค่ะอ๋อพักที่ไหนกุฎอ่อนเหรอพักที่ไหนฮะพักตรงที่ผู้ชายพักอะค่ะอ๋อที่ที่ที่ที่สลาเหรอ โอ้ยที่ซลาใหญ่กว้างมันไม่ค่อยร้อนเปิดพัดลมก็ยังได้เลยเพราะว่าทางโน้นอ่ะเขาเขาเปิดเครื่องเนี่ยนี่เปิดพัดลมได้เต็มที่เลยอันนี้ไม่ใช่ไฟเครื่องนะนี่ไฟซลาเซนเลยแล้วก็ในครัวทางโน้นก็ไม่ใช่ไฟเครื่องเขาเปิดไปใช้เฉพาะซลากับห้องน้ํากับโรงทาน มันเลยมีเสียงรบกวนเนี่ยปกติเงียบพอเรามาเปิดเครื่องก็เลยเสียงรบกวนพิจารณาเสียงเป็นไหมพิจารณาเสียงรู้รู้ที่ไปที่มาของเสียงหืมจะพิจารณาแล้ว พิจารณาเสียงเสียงนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพูดจริงนะมันมันพูดเล่นได้นี่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพิจารณาให้รู้ที่ไปที่มาของรูปรู้ที่ไปที่มาของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสให้รู้ที่ไปที่มาของมันทั้งรูปมันมีเหตุมีปัจจัยของมัน เสียงมีเหตุมีปัจจัยของมันกลิ่นรสพอพภะรวมไปถึงธรรมอารมณ์ที่นึกคิดในใจมันมีที่ไปที่มาของมันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาใช้จิตฟังเสียงนี่แหละดูไปต้นเหตุของเสียงคืออะไรก็ดูไปที่เครื่องอะไรมันปั่นเครื่องอ่ะก็ดูไปที่กลไกของมัน อะไรทำให้กลไกปั่นก็ดูไปที่เหตุปัจจัยที่เสื่อมไปสิ้นไปนเนี่ยที่จริงมันเสื่อมไปสิ้นไปทั้งหมดแหละแต่มันเสื่อมไปสิ้นไปไม่พร้อมกันสิ่งที่หมดเร็วที่สุดก็คือน้ํามันนน้ํามันเราพิจารณาเสียงของเครื่องถ้าเราจะเทียบเหตุปัจจัยก็เหมือนกับเราพิจารณาเทียนนี่แหละเทียนที่เราเห็นติดอยู่บนที่จุดนี่เนี่ยเทียน มันมีที่ไปมันมีที่มาอย่างไรเทียนเนี่ยเทียนมันมีน้ำมันมันมีไส้แล้วมันก็มีธาตุไฟท่านว่าที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่ธาตุไฟนะที่เราเห็นนั่นนะที่เราเห็นเน่เป็นสีเกิดขึ้นจากไฟมันกินเชื้อนู่ที่เราเห็นนั่นนะเป็นเหลืองเหลืองเนี่ยถ้าเราต้องการทราบว่ามีไฟหรือไม่มีมันร้อนขนาดไหนเอามือไปจี้ดู ไปลองเดี๋ยวนี้ดดตัว อ, อ่นไปลองดูลองไปจี้ดดนั่นน่ะร้อนรอ น, นั่นแหละคือธาตุไฟเพราะฉะนั้นท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนามันละเอียดนะมันละเอียดอสมร tha ก็เป็นกําลังหนุนวิปัสสนาความอดความทนความอุตสาหพยายาม ความอยากได้อยากดีอยากมีเหมือนท่านอยากจิตสงบเหมือนท่านเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราขยันให้เราอยากภาวนาให้จิตได้รับความสงบภาวนานี้ตามหลักท่านแยกเป็นสองอย่างหนึ่งสมถะภาวนาสองวิปัสนาภาวนาถ้าเราจะเรียกกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานแล้วแต่จะเรียกคําว่ากรรมฐาน คือสิ่งที่จะพึงสำเร็จได้ด้วยการกระทำนะสิ่งที่จะพึงสาเร็จได้ด้วยการกระทาเช่นอย่างเราต้องการให้จิตได้รับความสงบเราต้องการเฉยๆเราไม่ทาจะสงบไม่ได้จะสงบได้ด้วยการกระทำท่านจึงเรียกว่ากรร ม, มฐานกรร ม, มฐา น, นาอาศัยความภาคความเพียรามุสะพยายามเป็นที่ตั้งแห่งการ<อ>แห่งงาน รวมลงที่ใจบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ทำให้ใจได้รับความสงบพอใจได้รับความสงบความสงบนั่นแหละคือสมถะหรือสมาธิความสงบของใจจะเกิดขึ้นลอยลอยไม่ได้จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราสังสมอบรมมีความอุตสาหพยายามมีฉันทะ มีความพอใจมีวิริยะอุตสาหพยายามภาความภาคความเพียรมีความจดจอ่อมีเหตุมีปัจจัยมีอุปสรรคขัดข้องพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยที่มันมันเป็นเหตุขัดข้องนี่คือเหตุที่มาของสมถะ ทำให้จิตได้รับความสงบปกติจิตของเรามันไม่สงบเพราะกิเลสมันมายุแย่ก่อกวนจิตของเราเราฟังไปด้วยเราภาวนาไปด้วยหลับตาภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยถ้าไฟแทงตาก็ไปดับได้ถ้าไฟแทงตาเราก็ไปดับได้เราพูดสักหน่อยพูดนำสักหน่อย<ฆ>เดี๋ยวเราก็พานั่ง นั่งภาวนาอานี่ใครขึ้นมาเนี่ยหลวมกษัตริย์แล้วฮ ะ, ะแล้วพักตรงไหนข้างหลังนี่ข้างหลังสลาใหญ่อือพักอยูข่ข้างในสลาใหญ่ใช่ครับอ่าสลาใหญ่ยุงเข้าได้หรือเปล่ากไม่รู้รยุ่งเข้าได้ไหม มีหมูลวดอรอมีเต็นมีเต็นก็บริจาคมันบ้างมันหิว <laughs> บริจาคมันบ้างอืมอืมกำลังพูดธรรมะเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน จิตมันไม่สงบเพราะกิเลสมันดึงจิตของเราไปดึงไปเกี่ยวกับเรื่องรปูปทําให้เราคิดเรื่องรปูปรูปอะไรที่รุนแรงที่สุดทําให้มันค้างคาเป็นอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดในหัวใจของเราเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้ดึงมามันก็ไปดึงมามันก็ไปดึงมามันก็ไปแสดงว่ารูปเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจน่าอริดอร่อยมากนั่นเสียงรูปมันพาไป รูปมันพ า, พาไปถ้าหากได้กิถ้าหากมีกิเลสมาสวมรอยรูปนั้นด้วยอ่ามันดึงจิตเราไปง่ายงเพราะเพลงของกิเลสนี่มันมีรสมีชาติของมันมันจึงสามารถมัดใจของคนของสัตว์เอาไว้ในโลกไม่รู้จักจบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเนี่ยโรคนอกจากรรปแล้วก็มีเสียงเสียงเสียงมันพาจิตเราไป มีกลิ่นพาจิตเราไปกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมอมี ร, รสรสแซ่บรสอร่อยรสนัวรสขมรสหวานรสอะไรสารพัดและแต่จิตมันจะนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสกับเรื่องสัมผัสสัมผัสก็คือการถูกต้องถูกต้องวัตถุสิ่งของที่นิ่มนวลชวนให้เรากำหนัดยินดีแต่ต้องสัมผัส เนื้อบระหุตเนื้อสตรีก็เป็นเหตุให้เราเกิดความกำหนัดยินดีจิตมันติดติดตรึงจิตตรึงใจอยู่ในนั้นแหละพอเรานั่งหลับตามันก็ดึงไปเรานั่งหลับตามันก็ดึงไปนั่งหลับตามันก็ดึงไปมันกระซิบกระซาบมันชี้มันชวนอ่มันสะกิดมันค่อยค่ชุดค่อยๆลากค่อยค่แคะค่อยๆเคลียในที่สุดเสร็จมันจนได้เสร็จมันจนได้ ถ้าเราไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมจริ ง, รงๆเสร็จมันอีกนมันมีวิชาการครองโลกได้ทั้งสามโลกนั่นแหละไม่งั้นมันจะครองไม่ได้นี่อำนาจของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราพอเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธดึงจิตมาจากรูปจากเสียงจากกลิน่นจากรสจากสัมผัสจากธรรมารม อยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันก็เริ่มสงบมีสติอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันก็เริ่มสงบเมื่อจิตสงบสงบบ่อยครั้งเข้าอาศัยความภาคความเพียรประคับประคองไปเรื่อยๆจิตก็จะเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบจิตก็จะเริ่มมีความสุขจะเริ่มมีปีติจะเริ่มมีความสุขจะเริ่มมีความเบากายจะเริ่มมีความเบาใจเนี่ย คือการตัดกระแสของกิเลสที่มันจะพึงมายุแย่เข้าไปถึงที่จิตของเรามันเข้าไปถึงทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทางรสทางสัมผัสไปถึงจิตแต่เราเอาเจตนาตทั้งๆ ท, ที่รู้รู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ตอนนี้เวลานี้ว่าเรากำลังประคับประคองบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ย<ม>คุยทำไม เฮ้ยฮะพระที่ไหนมาฮะอ่าก่อนที่คุยทำไมกำลังพูดทำไมฟังนี่ดูดูก็ปฏิบัติได้ลอง ด, ดูดูก็ปฏิบัติได้ไมันยัเป็นต้องพูดออกเสียงอะไร ธรรมะนี้หมดแล้วพอเราดึงมันไปเราก็ดึงกลับมาไปล้วก็ดึงกลับมาไปล้วก็ดึงกลับม า, บมาในที่สุดมันก็สู้เราไม่ได้ดอกจิตมันต้องได้รับความสงบเยือนได้แต่มันก็มีช่วงมีขณนะมีการมีเวลาเหมือนกันนะบางช่วงเรานั่งไปยิม มากเกินไปก็อืดอัดอหิวมากเกินไปก็อืดอัดบางครั้งเราทิ้งเราทิ้งความหิวเราทิ้งความอิ่มเรามาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเอาลมหายใจเป็นตัวนําเอาลมหายใจเป็นหลักเอาสติเป็นเชือกมัดอะไรมัดใจให้ใจมันอยู่กับลม หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโททาอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่แค่นี้ทําไม่ปล่อยทําไม่วางเราจะได้รู้จักความเด็ดขาดในใจของเราว่าเราเนี่ยมีความจริงจังเด็ดขาดในงานของเรามากน้อยแค่ไหนขนาดไหนบางทีไม่กี่คำห้าคำสิบคำหลุดไปแล้วห้าคำสิบคำหลุดเลยโอ้ยเอามาอยู่ดอกถอยลุกไปเดินลุกไปนั่งลุกไปพูดลุกไปคุยลุกไปเล่นเฉยนี่ คือความอ่อนแอของจิตของเราไอ้สิ่งที่เรามุ่งมั่นมันก็เลยพลาดเลยหลุดไม้หลุดมืออผลที่จะพึงเกิดขึ้นคือความสงบมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นสมกับเหตุกับผลของมันแหละถ้าไม่สมเหตุสมผลมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เราจะไปทักท้วงทึกทักเรียกร้องเอาจากใครจากอะไรที่ไหนในเมื่อเราทําเหตุไม่สมกับผลผลมันก็จะปรากฏขึ้นไม่ได้ เหมือนบุรุษต้องการไฟจากการสีไม้เกิดไฟสีสีสีสีไปแล้วก็หยุดพอหยุดแล้วมันก็เย็นคิดได้กับสีสีสีสีแล้วก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นแล้วเมื่อไหร่จะได้ไฟใช้ไม่มีโอกาสที่จะได้ไฟใช้ทำอย่างต่อเนื่องทูไม่ยอมหยุดทูไม่ยอมหยุดมีสัญญาณบอกเอ้าไฟมาแล้วไฟมาแล้วมีควันเกิดขึ้นแล้วมีขมเหลาดําเกิดขึ้นแล้ว มีฐานแดงๆเกิดขึ้นแล้วขยับใหญ่เลยครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเอาเป็นเอาตายถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเราเร่งให้ไฟติดให้เปลวไฟติดนั่นแหละบางคนที่เคยเห็นแล้วมันเข็ดมันหลาบโอ้ยมันขนาดนี้แล้วถ้าเราหยุดถ้าเราหยุดมันก็เย็นโอกาสที่จะเกิดเปลวได้ไฟใช้มันก็เกิดขึ้นมาได้แล้วแหละการตั้งใจเร่งความเพียรภายในใจของเราก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกัน เหมือนกับเราสีไฟนั่นแหละเพราะรู้ว่ามีมีมีควันมีควันอา้าวเป็นฐานดำดำและวอา้าวเป็นฐานแดงๆ แ, แล้วเอาขยับใหญ่เลยชนิดเอาขี้ฝุ่นขี้ฝอยแล้วเล็กใส่เข้าไปเอาปากเป่าคุกเป็นไฟขึ้นมาได้ไฟใช้นี่นีเป็นข้ออรปมาเป็นข้อเปรียบเทียบแต่พวกเราก็จะเข้าลักษณะว่าสีสีสี ส, ส, ส, สีดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเหนื่อยใช่ไหนก็หยุด ปกติไฟที่มันกําลังร้อนอยู่ถ้าเราหยุดมันก็เย็นเย็นคิดได้ถูอีกแล้วเริ่มร้อนอีกสักนหนึ่งหยุดเย็นไฟเลยไม่ติดสักทีเนี่ยความเพียรภายในใจของเราก็เช่นเดียวกันเราจะสามารถพิสูจน์ทดสอบความอุตสาหพยายามความมุ่งมั่นของเราได้มากน้อยขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรเราก็ทดสอบแค่นี้เราก็ทดสอบได้แล้วแหละเราเป็นคนจับจดนะเป็นคนหลัก เป็นคนจับจดเป็นคนจริงจังเป็นคนถือสัตว์หรือจะเป็นคนเอาจริงเอาจัง เ, เละแหลกขนาดไหนเราทราบในจริยนิสัยของเราในเมื่อเราทราบแล้วเราก็ปรับปรับใช้ให้มันได้ปรับใช้ให้มันดีเนี่ยถ้าจะเทียบกับมันก็สีสีไม้เกิดไวสีสีสอ่าเห็นเห็นควันเกิดขึ้นแล้วโอ้ยมีสั ญ, ญลักษณ์บอกแล้วอ่านี่สั ญ, ญลักษณ์ของไฟแล้วแหละควัน ถูไปถูไปทูไปเอาเป็นขมเหลวดำดขึ้นมาแล้วถูไปทูไปถูไปเอาเป็นไฟขึ้นมาแล้วแดงๆแล้วเอาเป่าพอเป่าแล้วก็เป็นเปลวขึ้นมาเอาไปใส่กองกิฟต์ฟอยกองอะไรครับติดเป็นกองไฟได้ไฟใช้ความสงบภายในใจของของเราก็เช่นเดียวกันแม้แต่เรื่องปัญญาที่เราจะพิจารณาให้เข้าใจเรื่องอัดเรื่องทำข้อใดข้อหนึ่งก็เช่นเดียวกันเราใช้ลักษณะ น, นี้เราใช้ลักษณะแบบเดียวกัน พระอุปมาที่ที่สีไม้ให้เกิดไฟนี้มันเป็นอุปมาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าก่อนพระองค์ตรัสรู้ไม่กี่วันมันเป็นอุปมาที่พึงจะพึงเกิดขึ้นจะพึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นในประเทศยของพระองค์มาเปรียบเทียบถึงการทํางานของพระองค์ทํางานอุตสาหพยายามมาตั้ง5ปี6ปีแต่ก็ไม่ได้ผลสม สมความมุ่งมั่นที่พระองค์ตั้งใจออกมาบําเพ็ญเพื่อให้ได้รับผลเหล่านั้นไม่มีผลปรากฏคือผลมีปรากฏอยู่แต่ไม่เป็นที่พอใจไม่ใช่หนทางที่จะทําเป็นเหตุให้พระองค์เน่ยพึงพอใจจนเป็นเหตุให้พระองค์คิดว่าโอ้ไม่ใช่ทางแล้วไม่ใช่ทางที่จะทําให้เรารู้เหตุปัจจัย แ, แห่งการเกิดการตายอย่างแท้จริงได้อย่าลืมว่าพระเจ้าของเราท่านเสด็จออกบวชเพราะอะไรเพราะท่าน ท่านตั้งประเด็นว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกันแน่ให้เจ็บให้แก่ให้ตายกันแน่เพราะไปเห็นอุปมาคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะเนี่ยตั้งแต่สมัยพระองค์เสด็จออกบวชนั่นแหะไปเห็นเทวทูตไปเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะเอ๋อะไรเป็นเหตุให้เราเกิดขึ้นมาจนเป็นเหตุให้เราแก่ เป็นจนจนเป็นเหตุให้เราเจ็บเป็นจนเหตุให้เราตายตายแล้วเกิดอีกอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดเป็นเหตุให้พระองค์ต้องสแสวงหาเหตุปัจจัยทําให้พระองค์เกิดจะแล้วไปเห็นสมณะก็เป็นจัญลักษณ์บอกว่าโอ้มานั่งสงบงบเงียบสงบระงับอยู่ในปา่าโดยลําพังโดดเดียวเดียวดายอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิด ช่องว่างในการที่จะเราจะมีโอกาสมานึกมาคิดมาพิจารณาถ้าอยู่ในกลุ่มคนที่จอแจแออัดสะรพัดด้วเรื่องราวที่จะมาเข้ามาเกี่ยวข้องมาผูกพันในหัวใจของเราโอกาสที่จะทําให้เราเข้าใจทะลุผูกโปร่ปปรปปรงนั้นเป็นไปได้เพราะไอ้สิ่งที่มันอจอแจแออัดอยู่ข้างๆเรามันยือยย้อแยงยื้ออย่างความรู้สึกของเราไปเป็นการแย่งงานของเราไป พระองค์เลยเห็นว่าเออนี่ช่องทางที่เราออกเราต้องมาทําอย่างนี้พระองค์ก็ไปทําผิดทําถูกทําผิดทําถูกเป็นเวลาถึงหปีก่อนที่จะถึงวันเพ็ญเดือนหไม่กี่วันอุปมาสามอย่างเกิดขึ้นแก่พระองค์ อ, อุปมาข้อหนึ่ง อ, อ, อุปมาของการตั้งใจปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งของพระองค์น่ยข้อหนึ่งไม้สด ไม่สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำมาอุปมาเป็นอุปมาเหมือนว่าถ้าบุรุษต้องการไฟเอามาเสียให้เกิดไฟเหนื่อยเปล่าเพราะไฟกับน้ำมันเป็นปฏิ ป, ปักษ์กันอ่าอ่านีกข้อหนึ่งนะเปรียบเสมือนบุคคลที่มีกายยังไม่ออกจากกามกายยังคลุกคลีอยู่ในกาม ยังเกี่ยวข้องพวพันธุ์อยู่กับกามหมาะมุ่นอยู่กับกามแล้วก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมท่านว่าโอกาสที่ผลจะเกิดขึ้นลําบากเน็ดเหนื่อยเปล่าท่านว่าเน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะมีกายัางไม่ออกจากกามมันเป็นการกระตุ้นเตือนให้ไข้ครวญให้นึกให้คิดให้ติดออกติดใจอยู่ร่ําไปไม่สามารถจะดึงจิตออกจากเยื่อใหญ่ของกามได้ เหมือนน้ําเหมือนอยางอะนะเหมือนไม้สดชุ่มในยางแช่อยู่ในน้ําบุรุษต้องการอามาสิ่งเกิดไฟเกิดไฟได้ยากนี่ข้ อ, ข, อ, ข, อข้อแรกข้อที่2องอบุรุษมีกายออกจากกามแล้วมีกายออกจากกามแล้วแต่มีใจยังไม่ออกจากกามกายออกจากกามหมายว่าออกจากบ้านจากเรือน มาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่บําเพ็ญสงบเงียบโดดเด่นมีกายเอากายออกมาแล้วแต่จิตยังไม่ออกจิตครุ่นคิดถึงแต่เรื่องกามนะนะจิตครุ่นคิดถึงแต่เรื่องกามถ้าจะเปรียบเหมือนไม้ที่จะมาเสียเกิดไฟก็เหมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยางถึงจะวางอยู่บนบกไม่ได้แช่อยู่ในน้ําถึงจะวางอยู่บนบกบูรุษต้องการไฟเอามาเสียเกิดไฟก็เน็ดเหนื่อยเปล่าอีก มีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามทำความเพียรเน็ดเหนื่อยเปล่าคาว่าเน็ดเหนื่อยเปล่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิบากเก็บสะสมอบรมไว้นะมีวิบากเก็บสะสมอบรมไว้แล้วพูดอย่างนี้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจแล้วจะเกิดการท้อใจโอ้ยเราทาเปล่าเราทาเปล่าไม่เปล่าทุกอย่างที่เราสร้างเหตุขึ้นมาแล้วจะต้องมีผลตามมามากน้อยจะต้องมี มากน้อยจะต้องมีบุุรษที่1นึ่งบที่สองบทที่สามีกายออกจากกามแล้วมีจิตออกจากกามแล้วแต่ทําความเพียรย่อหย่อนทําความเพียรย่อหย่อนทำทำทำล้หยุดทำทำทำและวหยุดไม่ต่อเนื่องเปรียบเสมือนอุปมาข้อที่สาเหมือนไม้ไม้แห้งอยู่บนบก ถึงแม้ว่าบรุษจะเอามาสีให้ถูกต้องตามวิธีแต่เราจะเทียบถึงข้อปฏิบัติก็เหมือนอริยมรรคมีองค์แปดหรืออริยสัจสีนะ่เนี่ยเรารู้วิธีรู้ข้อปฏิบัติแต่ว่าทำทำทำทำแล้วก็หยุดทำทำทำทำทำแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดเหมือนบรุษสีไม้ไม้แห้งอยู่บนบกสีให้เกิดไฟในเมื่อสี ส, ส, ส, สีไปมีความร้อนขึ้นมาบ้างแล้วก็หยุดมันก็เย็นไป ก็โอกาสที่จะได้ไฟใช้มันก็ได้มันก็เกิดไม่ได้นี่บุตรมีกายออกจากการแล้วมีกิจออกจากการแล้วแต่มีความเพียรย่อยหย่อนมีความเพียรย่อยหย่อนโอกาสที่จะมีมีผลที่จะเป็นที่พึงพอใจให้กับเรา อ, อย่างเกินคาดเกินหมายเกินดาวนั่นเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าผลก็เกิดขึ้นบ้างแ ล, แล้วความสงบบ้าง ได้รับสติได้รับความรอบรู้ได้รับความฉลาดอยู่บ้างเราปฏิเสธไม่ได้เพราะเหตุมีผลก็ต้องมีเนี่ยนบรุษนี่อุปมาข้อที่4อ่าเหมือนบุรุษมีกายออกจากกามและมีจิตออกจากกามแล้วอ่าทำความเพียรถูกต้องตามหลักอริยมัมมีองค์8อย่างถูกต้องและทำความเพียรอย่างต่อเนื่องอ่าไม่ติดขาดติดขาดติดขาดติดขาดไม่หยุด อ่าไม่หยุดหยุดทำทหยุดหยทำทหยุดหยุดถ้าเราจะเทียบเหมือนอะไรเหมือนเส้นจราจรบนถนนมันจะมีเส้นติดขาดติดขาดติดขาดติดขาดนะท่านอุปมาให้เราทำพืชเหมือนกับเส้นที่อยู่ขอบถนนยาวพื้นไปเลยเป็นเส้นเดียวเหมือนเส้นได้เส้นเดียวปกติความเพียนที่เราทำย่อหย่อนทำทหยุดทำทำหยุดทำหยุดทำหยุดทำหยุดตรงช่องที่เราหยุด ตรงนั้นแหละมันเป็นการเปิดช่องให้กับกิเลสมันแทรกเข้ามามันสวมรอยเข้ามาเพราะกิเลสมาแทรกเข้ามามันสวมรอยเข้ามาเพราะเราเปิดช่องให้มันเราไปหย่อนอยู่ตรงนั้นทำให้เกิดช่องมันก็แทรกเข้ามาแต่ถ้าเราทำทความเพียรภายในจิตของเราอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิดช่องเพื่อเพื่อที่จะกิเลสในเมื่อมันไม่มีช่องมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้สติเรามั่นคงสัมปชัญญะเรามั่นคง คําบริกรมรมเรามั่นคงความภาคความเพียรเรามั่นคงกําหนดจดจออย่างต่อเนื่องพิจารณาแบบไม่ให้ขาดสา ย, เ, ยเหมือนบุรุษที่4นั่นแหละทําความเพียรต่อเนื่องไม่หยุดในที่สุดเหมือนเปรียบเหมือนบุรุษถูไม้เกิดไฟเนี่ยถูถูถูถ ถ, ถ, ถูไปเรือ่อยถูไปเรือเร่อยไม่ยอมหยุดไฟก็สะสมไปเรือ่อยสะสมไปเรือ่อย รู้ว่าไฟเริ่มเกิดขึ้นแล้วยิ่งขยับยิ่งทีเข้ายิ่งเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า เ, เ, า เ, เ, าเห็นควันเกิดขึ้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์บอกไฟอ้าวเห็นฐานดำๆอ้าวเห็นฐานแดงแดงเอาเอาปากเป่าพุขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้นี่บรุษมีกายออกจากกามแล้วมีจิตออกจากกามแล้วทำความเพียรต่อเนื่องอย่างไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยุดไม่หย่อนถึงคราว ที่ทำจะให้ผลรู้แก่ใจเหมือนคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดควา้าไม่ยอมหยุดคว้าจนติดมือได้อัดได้ทำได้ผลแปลกปรลาดอัศจรรย์ได้ความสงบถ้าเราจะพูดถึงความสงบเราก็ได้รับความสงบเต็มที่เต็มเปี่ยมเต็มอิ่มถ้าเราพิจารณาในแง่ของปัญญาก็พิจารณาพิจารณาพิจารณาจนสามารถเกิดเป็นปัญญาญาหนขึ้นมาได้พิจารณาเป็นวิปัสสนาก็ จนกลายเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นมาได้เราจะมาเทียบเอาอประมาณนี้มาเทียบกับเราเราทําความเพียรเป็นประเภทไหนเป็นบรุษมีกลยออกจากกามแล้วหรือยังมีจิตออกจากกามแล้วหรือยังทําความเพียรทําหยุดทําหยุดทําหยุดหรือทําความเพียรต่อเนื่องแล้วหรือยังแต่สลับผู้ที่ทําความเพียรอย่างต่อเนื่อง มันก็จะมีความรู้บ่งบอกทุกระยะ <c oughs> จะไม่สงสัยจะมีความเพียนบ่งบอกทุกระยะมีความเพียนบ่งบอกทุกระยะว่าเออรู้สึกว่ามันก้าวหน้ามันได้ผลความภากความเพียนก็ทาต่อเนื่องต่อเนื่องหนักหน้าเข้าไปเรื่อยไม่ยอมหอยุดถ้าเราจะเทียบเหมือนว่าเราเดินธรรมดาธรรมดารู้สึกว่าใกล้จะได้ผลรู้สึก วิ่งวิ่งเอาวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยรู้สึกว่าใกล้จะได้ผลเต็มที่วิ่งสุดจิตสุดใจสุดชีวิตสุดชีวิตจิตใจเลยจนจนสามารถถึงถึงอาจถึงธรรมจนได้เราเป็นบุประเภทบุตรที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สมอุปมาที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ทีนี้มันมีข้ออุปมาที่ว่าเรา ยังไม่เอากายออกจากกามแต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้ไหมเราอยู่บ้านช่องเรานี่แหละแต่ว่าเราสามารถทําจิตให้ได้รับความสงบได้ไหมจิตออกจากกามหมายความว่าจิตสงบจากอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นผู้มีภูมิแห่งความสงบมีภูมิแห่งความสงบที่จะเรียกว่าสมาธิธรรมเราสามารถทาได้เราใช้หลัก อิทธิบาทสี่ชันทะวิริยะจิตต์วิมังสาครบวงจอนสามารถสำเร็จสาเร็จจนได้ตามหลักอิทธิบาทที่ท่านสอนเอาไว้หลักอิทธิบาทนะคุณเครื่องแห่งความสำเร็จอิทธิบาทนะชันทะมีความพอใจเราดูไปที่ความพอใจของเรามีมากน้อยแค่ไหน บางทีเราขาดความพอใจทำๆๆๆว่ามีเรื่องนู้นมกกากระสิบกระซาบรุดไปเรื่องนั้นซ้ำซ้ำรุดจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นเลิกไปเดินไปเล่นไปพูดไปคุยไปอะไรไปได้ทั้งวันละทิ้งสิ่งที่เราตั้งใจจะเอาจะทําแล้วนี่จะเรียกว่าขาดวิริยะขาดอุตสาหะขาดความพอใจคนเราเมื่อขาดความพอใจแล้วก็ขาดความภาคความเพียรถ้าหากมีความพอใจและความภาคความเพียรที่จะ ธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้คุณธรรมเหล่านั้นก็จะมีต่อเนื่องแล้วตามมามีต่อเนื่องตามมาฉันทะวิริยะจิตตะกำหนดจดจอ่อเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าใส่เข้าว่ามีปัญหามีข้ออุปสรรคยังไงไม่ยอมถอยไม่ถอยเด็ดขาดนี่คืออิธิบาตทั้ง4เป็นคนเครื่องช่วยเสริมให้เราปรารถนาสําเร็จสมกว่ามุ่งมา่ปรารถนาทุกอย่าง เราสามารถเอากายออกจากกามหรือไม่เอากายออกจากกามแต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้ไหมเราสามารถทําจิตของเราให้ได้รับความสงบสามารถเอาจิตออกจากกามได้เมื่อเอาจิตออกจากกามได้แล้วเมื่อเอาจิตออกจากกามได้แล้วคือจิตเรามีความสงบเมื่อจิตเรามีความสงบแล้วเราก็เข้าสู่ความสงบนั้นเนืองๆเรื่อยๆบ่อยๆเสร็จแล้วก็สับเปลี่ยนกับการพิจารณาใเกิดความรอบรู้ ให้เกิดความรอบรู้เมื่อเรามีความภาคเพียรแน่นหนามั่นคงแน่นหนามั่นคงกิเลสที่มันจะมาคอยสวมรอยเราให้ภาานึกภาคิดไปนู่นไปนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันว่าตันหาใหม่ที่มันจะมาเสริมตันหาเก่าให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมันก็ไม่มีกําลังที่จะมันจะมาเสริมมันก็ไม่มีถ้าเราจะเทียบกั็มุกว่าเราอุดช่องอุดรูรั่วของเรือนั่นแหละ เรือที่เราจะนั่งข้ามฟากนั่นแหละแต่เรือของเรามันทะลุมันมีรูน้ําทะลักเข้าไปตามรูเราอุดรูเสร็จแล้วน้ําที่อยู่ในเรือมีมากน้อยเท่าไรเราก็พยายามวิทยออกเราวิทยออกไปเท่าไรมันก็หมดไปเท่านั้นวิทย์ออกไปเท่าไรก็หมดไปเท่านั้นกิเลสในหัวใจของเราเช่นเดียวกันเราพยายามระมัดระวังไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดตัณหาใหม่เกิดหมายความว่า จิตของเราหละหลวมตาเห็นรูปเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดสุขเวทนาเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดอุปาทานพราะเกิดอุปาทานขึ้นมาเกิดการยึดเกิดการเกิดการยึดมั่นถือมั่นนี่ตัณหาใหม่มันก็เกิดลักษณะนี้เหมือนกับว่าน้ําใหม่มันก็ทะลักเข้าไปน้ําเก่ามีอยู่แล้วมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการระมัดระวังทำความภาคความเพียรมันเป็นการปกป้องเป็นการขยจัดตันหาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นตันหาเก่าที่จะพึงมีภายในหัวใจของเราเขาพยายามพิจารณาคนา้นคว้าเพื่อหาช่องหาทางให้จิตของเรานี่เล็ดเล็ดลอดเล็ดลอดหาช่องหาทางที่จะดึงที่จะฉุดที่จะรั้งที่จะป อ, อ, อกอันนั้นออกปอกอันนี้ออกดึงอันนั้นออกดึงอันนี้ออกบรรเทาสิ่งเหล่านั้น ให้เบาบางไปบรรเทาสิ่งเหล่านี้ให้เบาบางไปทําความรู้เท่าทันตลอดตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาเก่าก็หมดไปหมดไปตัณหาเก่าหมดไปหมายความว่าเราใช้สติใช้สัมปชัญญะเราใช้ความสงบของจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละมาพิจารณาธาตุขันธ์ของเราพิจารณารูปขันธ์ของเราเพราะเดี๋ยวนี้เราหลงรูปขันธ์ของเราอ่ารูปขันธ์ของเราประกอบไปด้วย ดินน้ำลมไฟเราหลงสิ่งที่เป็นดินเป็นนา้าเป็นลมเป็นไฟสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเป็นเราเป็นของของเราสําคัญว่าเป็นก้อนเป็นแท่งสําคัญว่างามสําคัญว่าสวยสําคัญว่าอะไรสารพัดและก็มีการยึดมั่นถือมั่นกําหนัดรักใคร่ยินดีพอใจยึดเข้ามาดึงเข้ามาฉุดเข้ามานี่โดยอํานาจของความลุ่มหลงท่านจึงให้พิจารณาแยกแยะท่านให้ให้หัดพิจารณาแยกแยะ เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟลักษณะที่เป็นดินก็คือแข็งแข็งลักษณะแข็งแข็งทั้งว่าเป็นดินเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเรามาไล่พิจารณาหัดไล่หัดพิจารณาอยู่นี้แหละนี่คือการหัดพิจารณาเพื่อเป็นการวิทย์น้ำวิทน้ําเก่าออกพยายามรื้อรื้อเพื่อที่จะดึงตันหาเก่าออกตันหามันตกค้างอยู่ตามรูปธรรมอยู่ตามนามธรรมนี่แหละ ปัญหาใหม่ถึงแม้ว่าจะไม่เกิดเพราะเราสำรวมระมัดระวังมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้ตัญหาเก่ามันก็แทรกสิงอยู่ตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ของเรานะ่ยมันแทรกสิงอยู่ในนี้เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาสาวหาเข้าไปสาวหาพิจารณาเข้าไปอะไรเป็นดินอะไรเป็นลมอ่าเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันก็กลุ่มกันได้ยังไงอยู่ยังไงพิจารณา เพื่อทำลายความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเรานี่คือการพิจารณาดิพิจารณาเป็นดินนะหรือหรือจะมาไล่อาการ32มสิอาการของธาตุดิน20อาการของธาตุน้ํา12รวมเป็นอาการ32แล้วก็มาดูธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีมีหรือไม่มีดูแล้วก็เห็นธาตุไฟมีความอบอุ่นในกายของเรา จับไปตัวไหนอุ่นไปหมดจับไปตัวไหนอุ่นไปหมดนะคือคนยังมีชีวิตอยู่ก็มีธาตุไฟครองอยู่ดินน้ํามลมไฟมาเกาะกคุ้มกันเป็นรูปกายของเราด้วยอํานาจของกรรมกรรมมาจับจองกรรมมากับจิตมาจับจองรูปปักษันอันนี้นีจากนั้นก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณท่านให้พิจารณาเพื่อทําลายความลุ่มหลงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ การพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะั้นเหมือนกับเราวิดน้ำเก่าออกเหมือนกับเรารื้อตันหาที่มันฝังรกรางอยู่ในรูปในในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการที่เราคนา้คนคว้าขุดคุยแยกแยะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นั่นแหละคือการพยายามทําความรู้เท่าทัานรู้ความเป็นไปของมันรู้ที่เกิดรู้ที่ตั้งอยู่ที่รู้ที่ดับไปของมันนี่คือการ หรือรกรากที่มันเกาะกลุ่มอยู่ในในในธาตุในขันของเราเพื่อทำลายเพื่อทำลายตันหาเก่าที่มันมีมาพร้อมกับจิตตันหาใหม่มันพร้อมที่จะเกิดนะถ้าหากเราไม่ตั้งใจระมัดระวังสมมติเราอยู่ในท่าทีที่เป็นปกติธรรมดาธรรมดาถ้าหากจิตเราไม่ชินชายังไม่ชินชาเราปล่อยอเราปล่อยเปละละเลยปล่อยเปละละวางขาด ความตั้งอกตั้งใจขาดความสำรวมประมตระวังในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจพิจารณาเราก็พอจะเข้าอกเข้าใจอพอจะมีผลปรากฏภายในหัวใจของเราอยู่บ้างแต่ถ้าหากเราหย่อนความเพียรทีไรเมื่อไรอของเก่าของเก่ามันก็มาแทนที่เหมือนเดิมถ้าเราจะเทียบก็บเหมือนกับว่าเราแหวกอะไ ร, รแวก แหวกคราบน้ําที่ผิวน้ําหรือแหวกจอกแหวกแหนที่ผิวน้ ำ, ออนนำพอเราแหวกปับ๊บพอเราแหวกปั๊บมันก็เห็นผิวน้ําเราสามารถจะตักมาดูดมาดึงมาอะไรได้พอเราหยุดแหวกเดี๋ยวมันก็ดึงไปไปปิดผิวน้ําหมดเหมือนเดิมเนี่ยอารมณ์ที่เราอ่อนต่อการกําหนดจดจอ่อพิจรารณาก็เช่นเดียวกันพออารมณ์ทำเกิดขึ้นบ้างมีอยู่บ้างพอเราปล่อยปะละละวางปับ๊บ อารมณ์เก่ามันก็มาแทนที่อารมณ์เก่ามันก็มาแทนที่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความภาคความเพียรครูบาอาจารย์ท่านจีวันหนักมากทําแบบไม่หยุดไม่หย่อนยืนเนะดินนั่ง น, นอนทําตลอดทุกระยบทนี่คือการทําความภาคความเพียรเราต้องการให้สงบเขาก็จะได้รับความสงบเราต้องการความรอบรู้ทางด้านปัญญามันจะก็จะค่อยๆขยับเขไปเรือ่อยขยั บ, ไ ป, ยยบไปเรื่อยให้เกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญา เพื่อทำลายความลุ่มหลงธาตุขันของเราเองนี่เราพูดประสาประสานกันทั้งทั้งทั้งสมาธิทั้งปัญญาเวลาเราทํางานไปแล้วมันก็จะประสาประสานไปด้วยกันแต่ลุงตาท่านให้ทำความสงบก็ทําให้จริงจังไม่ต้องไปห่วงการพิจรารณาเวลาไปพิจรารณาแล้วไม่ต้องห่วงความสงบเอาให้จริงจังเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาให้จริงจังเข้าไปเวลาเหนื่อยก็ให้พักเพื่อความสงบ เวลาสงบมากๆออกมามีเรื่องมีแรงท่านคพิจารณาต่อเหมือนเราเดินขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆเราจะไปทําความสับสนมังเลกับสิ่งนู้นกับสิ่งนี้อันเป็นเหตุให้เราอันจะเป็นเหตุให้เราเน็ตลดน้อยถอยกําลังอ่อนศรัทธาอ่อนความอุตสาห์อ่อนความพยายามเบือ่อหน่ายคลายจางแล้วก็ทอดทิ้งแล้วก็ทิ้งไปในที่สุดเนี่ย ท่านจึงจึงให้พยายามรักษาพยายามระมัดระวังอย่างต่อเนื่องอถ้าเราจะพิจารณาตามนั้นแล้วก็คือไม่ใช่ทําศัพทธรรมทํางทำอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราทํายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เรียบร้อยเราจะพยายามตั้งใจทําจนเสร็จเหมือนกับการงานทางโลกที่เรามีกันนี่แหละ ที่เรามีที่เราทํากันยังไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จเราจะพยายามตั้งใจทําจนเสร็จข้างในยังไม่เห็นผ ล, เ ห, นลนเห็นผลแค่นี้ยังยังมียังมีต่อไปอีกเห็นผลแค่ น, นี้ยังมีต่อไปอีกเห็นผลขั้นนี้ยังมีต่ออีกยังมีต่ออีกอยู่อย่างนั้นก็ทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไม่หยุดไม่หย่นอนอาศัยความอุตสาห์พยายามได้บ้างไม่ได้บ้างติดบ้างขาดบ้างติดบ้างขาดบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความความเลื่อมใสศรัทธาความมุ่งมั่นที่จะทําให้เกิดผลต่างๆเหล่านี้ในหัวใจของเรานะเราก็พยายามมุ่งมั่นไม่ปล่อยไม่ปละไม่ละไม่วางนี่สิ่งเหล่านี้มันก็สูงขึ้นมาในหัวใจของเรานะขยับถอยลงไปสมาธิได้รับความสงบได้รับความสุขขยับเข้าไปรักษาศีลการรักษาศีลนี่มันก็ช่วยระ ง, งับกิเลส ช่วยหยาบที่จะพึงเกิดขึ้นทางกายทางวจาจชาของเราได้ขยับไปอีกการตั้งใจให้ทานนี่เราก็ตะ ล, ล, ล, ลอมเข้ามาให้ทานก็มีผลมีอานิสงส์รักษาศีลก็มีผลมีอานิสงส์ตะล่อมเข้ามาภายในหัวจิตดวงเดียวนี่แหละเจริญสมาธิก็มีผลมีอานิสงส์ก็ตะล่อมเข้ามาในจิตดวงเดียวนี่แหละเจริญปัญญาก็มีผลมีอานิสงส์ภายในจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทําบุญ สร้างบุญสร้างบา ร, รมีทําความภาก ค, ความเพียรก็พยายามทาให้ครบวงจรให้ทานแล้วก็มารักษาศีลแล้วก็มาจรุดสมาธิแล้วก็มาเจริญวิปัสนาคือมาพิจารณาทางด้านปัญญาเราทําให้ครบวงจรอย่างนี้มัน ก, ก็จะเป็นการขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยเราไ ม, ไม่หยุดไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ให้ทานก็ให้อยู่แต่กับที่ย้ําอยู่กับที่ไม่ขยับมาตั้งใจรักษาศีลบ้าง ให้ทานก็มีอเนสงด้วยการให้ทานให้ทานมีผลมีอเนสงแต่ว่าทั้งหมดมันจะตล่อมเข้ามาศีลก็ตล่อมเข้ามาสมาธิก็ตล่อมเข้ามาปัญญาก็ตล่อมเข้ามาที่ท่านว่าศีลห น, นุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนหนุนวิมุติหนุนความหลุดหนุนความพ้นให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดความเข้าใจในกองสังขารเพื่อที่จะปลด เพื่อที่จะเปลื้องเพื่อที่จะปล่อยปลาเพื่อที่จะละเพื่อที่จะวางจากสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายอย่างเหนียวแน่นมั่นคงกอบโกยคองทุกทั้งหลายมาทับถมหัวใจของเราอย่างไม่มีการสิ้นสุดกว่าจะทําให้เราได้รับความรอบรู้ได้รับความเข้าใจถึงขั้นนี้ระดับนี้จะต้องสังสมอบรมอย่างยิ่งยวดอ่า ทำเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แหละเอาชีวิตเป็นเดิมพันทําำจากนี้ไปจนตายไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำคืนนี้คืนนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ไไมใช่แบบนั้นทำตั้งแต่บัดนี้ไปจนตายที่ท่านเรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ทำอยู่อย่างนี้เราจะไม่เสียท่าเสียทีจะขยับคุณสมบัติเหล่านี้ อที่จะให้พึงเกิดขึ้นในหัวใจของเรามีโอกาสที่เราจะได้ประสบได้พบได้เห็นได้ออึ้นมาในหัวใจของเราอย่างแน่นอนอ่าไม่ได้ตั้งครูเลยนะมาก็พูดให้เราได้ภาวนาไปพร้อมๆอมอาจากนี้นั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็ทำวัดสวดมนต์ นั่งภาวนาไปสักฟังนึงแล้วก็ทำบัตสจดหมด